บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื <c oughs> ่อเป็นอุปการะ <c oughs> แก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปได้ลกล่าวถึงเรื่องโลกซึ่งทรงจำแนกแสดงไว้ในที่ต่างๆมาโดยลำดับซึ่งเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วสิ่งที่ทรงใช้คำว่าโลกก็คือสิ่งที่ต้องแตกทาลายไปเป็นธรรมดา นั่นเองดังนั้นเวลาท่านนิยามความหมายของคำว่าโลกท่านยึงตั้งรูปวิเคราะห์ศัพท์ว่ารุดจตีติโลกโกสิ่งใดย่อมแตกทำลายไปสิ่งนั้นเรียกว่าโลกเรื่องของโลกซึ่งโดยสภาวะที่แท้จริงของเขาคือาการแตกทาลายไป น, นั้นจะได้สร้างความเปลี่ยนแปลงในด้านจิตใจของบุคคลในลักษณะต่างๆ เช่ในกรณีที่มีการเกาะกลุมอยู่อย่างเหมาะสมกส่สดส่วนแล้วกอให้เกิดการการกาหนดหมายว่าโลกนี้มีความสวยงามแล้วก็อให้เกิดความกำนัดเพื่อเพลิพนยินดีะระึงหลงจนถึงกะยื้อแย่งต่อสู้ราดประหารกันเพื่อได้ถือครองสิ่งที่ท่านเรียกว่าโลกแต่ในขณะเดียวกันเมื่อ โลกเหล่านั้นอยู่ในสภาพที่ไม่สวยไม่งามบุคคลก็เกิดความจิงชังความไม่พอใจความไม่ยินดีพอโลกที่มีความสวยงามเสื่อมสลายไปก็เกิดเป็นความทุกข์ความโทมนัสพอโลกที่เรากําหนดว่าสวยไม่สวยงามแตกสลายไปโดยเกิดความชื่นชมยินดีแตนั้นแต่ละอย่างจึงกลายเป็นปัญหาที่ออกเกี่ยวถาวรภาในจิตใจของบุคคล ซึ่งพระเจ้าทรงสรุปรวมโลกทั้งปวงไว้ในคำว่าทุกขสษัตริย์คือความจริงคือทุกข์เพราะว่าสิ่งที่เรียกว่าโลกนั้นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากเหตุจากปัจจัยเข้ามาประกอบกันก็เริ่มต้นจากความไม่มีมเหตุปัจจัยมาประชุมเกาะกลุ่มกันก็กลายเป็นความมีขึ้นมาและเพราะกาเริ่มต้นจากความไม่มี เกิดเป็นความมีขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเข้ามาเกาะกลุ่มกันรเรตุปัจจัยเหล่านั้นเสื่อมสลายไปก็กลายเป็นความไม่มีลักษณะของโลกจึงหมุนวนอยู่อย่างนี้เพราะความไม่รู้เท่าทันของโลกและความรู้เท่าทันของโลกบุกคคลที่อยู่ในโลกนี้จึงมองโลกโดยสรุปไว้เป็นสองกลุ่มอย่างนี้ทรงแสดงว่า เธอทั้งหลายจงดูโลกนี้อันตราการดุดราชรัสที่พวกคนเขาค้องอยู่แต่พวกผู้รู้ไม่ค่้องอยู่เพราะไม่ว่าจะเป็นขันธโลกอายตนะโลกหรือโลกอะไรก็ตามที่ทรงจำแนกแสดงเอาไว้มันก็เป็นที่ตั้งแห่งความค่้องหรือความยึดติดลักษณะของความยึดติดในโลก บางครั้งก็สรงใช้คำว่าอุปาทานบางครั้งก็ทรงใช้คำว่ากาหะซึ่งก็แปลโดยนัยะเดียวกันก็คือความยึดติดหรือความยึดถือยึดถือทั้งด้วยความรักและความชังหรือความหลงเพราะความรักความชังและความหลงที่เกิดขึ้นจากการกําหนดโลกนั่นเองก็สร้างความเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจของบุคคลให้ขึ้นๆลงๆประสบความยินดีบ้างยินร้ายบ้างสุขบ้างทุกบ้างก็มึนวนกันอยู่จากนี้ นั้นพวกโลกทั้งปวงจึงเป็นอารมณ์ของกรรมฐานทีจริงก็เป็นทั้งสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานในชั้นของการตั้งสติระลึกดูอยู่ที่โลกอย่างใดอย่างหนึ่งจะดูที่รูปดูที่เวทนาเป็นต้นก็กลายเป็นสมถกรรมฐานแต่เมื่อบุคคลได้ใช้ปัญญาพิจารณาแยกโลกที่เมื่อก่อนแก้ก็แยกกันอยู่ดันเด่ แยกโลกในขณะที่เกาะคุมกันอยู่ออกไปเป็นส่วนๆมันก็กลายเป็นวิปัสนาเกีวความรู้ความเห็นที่แจ่มแจ้งชัดเจนตามความจริงคือความจริงเป็นอย่างไรก็รู้เห็นชัดเจนอย่างนั้นเรงการที่ทรงกระจายโลกไม่ว่าจะเป็นภพเป็นภูมิเป็นสัตววาดเป็นวิญญาณทิติหรือเป็นขันห้าเป็นนัยยตนะสิบสออะไรก็ตามก็สรุปแล้วก็คือให้มองในแง่ของความจริงนั่นเอง แท้จริงแล้วเป็นการพูดถึงเรื่องเดียวกันเพียงแต่กระจายย่อยหรือกระจายกระจายย่อยมากหรือ ย, ย่อยน้อยเท่านั้นเองมาถึงตอนสุดท้ายนั้นส่งแยกโลกออกไปเป็น18ประเภทเรียกว่าโลก18บแปดว่าโลก18ในที่นี้หมายถึงตัวคนแต่ละคนนั่นเองคื่ประกอบด้วยธาตุสิอย่างไอ้คำว่าธาตุสิก็คืออายตนะภายใน6 คือตาหูจมูกลิ้นกายใจอยายตนะภายนอกหคือรูปเสียงกลิ่นรสผธพระและธรรมารมปัญญาคือความรู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้ผลพระรู้ยันนอ้นอนแข็งเป็นต้นอีกหก็สามหก็กลายเป็นโลกส8บปดซึ่งข้อนี้ผู้ปฏิบัติธรรมะจะเห็นได้ว่าที่จริงมันก็อยู่ในตัวเราแต่ละคนหมายความว่ารูปเสียงกลิ่นรสผลพะ การทำอารมณ์ของเรานั้นเป็นอายตานะภายในของเราแต่ในขณะเดียวกันเราก็เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นผลิภัณฑ์ซึ่งเป็นอายตนะภายนอกของคนอื่นตาหูจ ม, มูกลิ้นกายใจของเราเป็นอายตนะภายในของเราแต่ว่ารูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ของเราก็เป็นอายตนะภายนอกของสม บ, บุกบุคคลอื่นพอมาถึงบุคคลอื่นมันก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน คือ ร, รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะตาหูจมูกนิ้วกายใจของเขาเป็นอายตนะภายในของเขารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะธรรมารมณ์ของเขาก็เป็นอายตนะภายนอกของเราแต่อายตนะภายนอกนั้นมีทั้งมีวิญญาณและไม่มีวิญญาณบางครั้งจึงไม่เกี่ยวกับธรรมารมหรือไม่ไม่ธรรมารมเป้าหมายตึองเป็นเฉพาะรูปเสียงกลิก่นรสก็ถือว่าเป็นอายตนะภายนอก ทีนี้ความรู้ที worker, ่เรียกว่าวิญญาณคือจะขุวิญญาณความรู้ทางตาโสตะวิญญาณความรู้ทางหูคณวิญญาณความรู้ทางจมูกสิวหาวิญญาณความรู้ทางลิ้นกายวิญญาณความรู้ทางกายและมโนวิญญาณความรู้ทางใจก็คือความรู้อาญตนาภายนอกนั่นเองแต่แก่รู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้ผดผะรู้ธรรมารมเป็นมีอยู่ทั้งในตัวเราและในตัวบุคคลอื่นและในตัวของสิ่งอื่น พวกเรานี้แต่ละอย่างถือว่าเป็นโลกแต่ละอย่างตอนนี้ก็อยู่ในกฎเกณฑ์เงื่อนไขดังที่ได้กล่ามาแล้วคือมันเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยมาประชุมปรุงแต่งกันขึ้นอยนายตนะภายในภายนอกเป็นการเกาะกลุ่มกันในส่วนของวัตถุเว้นไว้แต่จิตใจกับธรรมารมณ์ซึ่งเป็นเรื่องของนามธรรมา โดยเฉพาะตัวบิญญาณคือความรู้รูปเป็นต้นนั้นมีการประกอบการทั้งส่วนของรูปธรรมและส่วนของนามธรรมซึ่งจะเห็นได้ว่าไอ้ตัวบิญญาณนั่นเองที่เป็นตัวสร้างความเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจของบุคคลไปเห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูเป็นต้นนั้นจิตใจของบุคคลจะมีความเปลี่ยนแปลงไปตามขั้นตอน สมมติว่าการพบครั้งแรกการเห็นรูปในครั้งแรกก็จะมีความรู้สึกเฉยๆไปก่อนคือไม่ยินดีไม่ยินร้ายไปก่อนแต่ในขณะนั้นจิตก็ประกอบเป็นโมหะคือความเขาหรือความไม่รู้หรืออวิชชาหรือความไม่รู้ในสิ่งเหล่านั้นต่อมาเมื่อได้เรียนรู้เข้าใจถึงสิ่งเหล่านั้นในแง่ที่เป็นคุณเป็นโทษแล้วก็จะเกิดกากำหนดเกิดการกรำหนดหมาย ด้วยความยินดีหรือความยินร้ายตามสมควรแก่กรณีของสิ่งนั้นเช่นบุคคลมองเห็นคุณค่าความดีงามของสิ่งนั้นก็จะเกิดความยินดีมองเห็นโทษภัยอันตรายจากสิ่งเหล่านั้นก็จะเกิดความยินร้ายและต่อจากนั้นความรู้สึกยินดียินร้ายนั้นเองก็จะกลายเป็นสัญญาคือความจาความจำที่จริงก็คือขันห้าความจำของคนเราก็อยู่ในหกเรื่อง คือจาสิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นผลิภัณฑ์แล้วก็เป็นธรรมารมพันเวลาประสบกันในครั้งที่สองเป็นต้นไปก็จะเกิดมีความรู้สึกขึ้นมาส อ, สองอย่างสามอย่างคือรู้จักไม่รู้จักหรือไม่แน่ใจแต่คำํำมารู้จักนั้นแสดงมาสัญญาคือความจําเรามีความมั่นคง ไม่รู้จักก็แสดงว่ายังไม่เคยพบกันครับคราครับคาแสดงถึงสัญญาหรือความจำเราไม่แน่นอนทั้งๆ ท, ท, ที่เคยผ่านมาแล้วไปจากความรู้สึกเหล่านี้เองต่อมาก็เปลี่ยนเป็นความชอบความชังหรือความรู้สึกเฉยๆในกรณีที่ชอบแสดงว่าเราเก็บคุณค่าของสิ่งเหล่านั้นไว้ภายในใจก็มีการกาหนดหมายว่าสิ่งนั้นดี น่าคลายน้าปรารถนาหน้าพอใจสัญญาที่เก็บไว้ก็เมื่อมีรูปเป็นต้นมากระตุ้นทางตาเราเกิดมีความรู้สึกพอใจตามเชื่อเดิมที่มีอยู่ก่อนโดยเชื่อเหล่านี้แกก็เปลี่ยนแปลงได้เช่นบางคนบางคนในช่วงหนึ่งโอกาสหนึ่งเราเก็บความไม่พอใจเอาไว้โดยความหลงผิดเช่นสมมติว่าเราเข้าใจผิดเราเก็บความไม่พอใจเอาไว้ ต่อมาทราบว่าอะไรเป็นอะไรพบกันครั้งต่อไปก็เกิดความพอใจแต่บางครั้งอาจจะเกิดความพอใจด้วยอำนาจของความรักเกิดความไม่พอใจด้วยอำนาจของความโกรธต่อมาเขาก็เปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวเองอการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวเองเขานันทำหน้าที่สลายความโกรธที่เก็บไว้ภายในใจของเราให้จางไปใจก็ไปกาหนดหมายใหม่ในแง่ของการให้อภยัย แล้วก็เพิ่มความรักขึ้นไปโดยํำดับมันก็กลายเป็นความรักได้ตั้งตัวการใหญ่จึงคงอยู่ที่ใจเราไม่ได้อยู่ที่สิ่งนั้นใจจะเป็นตัวกำหนดดีหรือไม่ดีน่าใคร่หรือไม่น่าใคร่เป็นต้นทีนี้บางอย่างเราก็เกิดความพอใจอันในความพอใจนั่นเองก็แสดงว่าเรายอมรับคุณค่าของคนของสัตว์ของสิ่งเหล่านั้นเราเก็บไว้เราจาไว้ แต่บังก็เปลี่ยนแปลงในตัวของมันได้เหมือนกันเปลี่ยนแปลงด้วยการกำหนดหมายทางใจหรือเปลี่ยนแปลงด้วยการกระทาตัวเองของบุคค ล, ลนั้นจนว่าคนที่เรารักใายพอใจต่อมาก็เกิดทาไม่ดีประทุสรายต่อเราความจำมันก็เกิดมาสองกระแสกระแสหนึ่งเป็นการจำความไม่ดีกระแสหนึ่งเป็นการจำความดีปัญหาว่าจิตใจของบุคคลจะให้ความสาคัญแก่อะไรมาก ให้ความสําคัญแก่ความไม่ดีมากไม้ความดีมากเขาก็ไม่ยอมรับอย่างที่เรามีความรู้สึกว่าร้อยดีพันดีชั่วหนึ่งทีพ่าดีไม่รอดคนบางคนทําความดีไว้เป็นอันมากแต่เราก็ไปปักใจขวังใจความไม่ดีของเขาไว้ในจุดใดจุดหนึ่งพบกันทีไหนก็เกิดความไม่พอใจทุกทีนี่แสดงว่าคนใจคนนั้นเองไปให้ความสําคัญแก่ความไม่ดีของเขามากโดยโดยไม่ยอมมองไปเนี่ ไปถึงความดีของเขาแต่บางครั้งจิตใจของบุคคลมีพื้นฐานธรรมะอยู่มากแกก็สลายความไมด่ดีไม่งามต่างๆออกไปก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาคนเราจะให้ดีด้วยประการทั้งปวงเป็นไปไม่ได้ร้องพลาดไปแล้วเวลานี้ก็กลับเนื้อกลับตัวได้เราก็ให้อภัยเขาแต่ความรู้สึกเหล่านั้นก็เปลี่ยนกลับเป็นดีได้แต่ในความเปลี่ยนแปลงจากรักเป็นชังจากชังเป็นรักเกิดขึ้นในวัตถุเดียวกันในบุคคลคนเดียวกัน แต่เป็นคนละสาเหตุเท่านั้นเองสาเหตุนั้นก็คงมาจากภายในภายนอกเพราะตัวความจำของคนเราที่เกี่ยวกับคนกษัตริย์กษิสิงค์อมันก็เปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยถ้ามีการกําหนดหมายไปได้ตามต้งควรแก่กรณีนั้นๆัเพราะันเมื่อเราเพบเห็นสิ่งเหล่านั้นก็เกิดเป็นความสุขความทุกข์ขึ้นมาที่เราเรียกว่าเวทนามันก็หมุนวนกันอยู่ในขันท่านั่นเอง แต่การที่ก่อเกิดเป็นความสุขความทุกข์ความยินดีความยินร้ายด้วยการให้อภัยเป็นต้นนั้นก็เกิดขึ้นมาจากการปรุงของสังขารคือกุศลนกุศลรูปกลางกลางที่เกิดขึ้นภายในจิตของเราเพราะในท่าสิบที่จริงก็คือขันห้าและขันห้านั่นเองก็คือรูปนามตกลงว่าท่าสิบแก็คือรูปนามซึงจะเห็นได้ว่าตัววิ ญ, ญญาณทั้งหมดนั้นเป็นนามตัวธรรมมารม์ตัวจิตก็เป็นนามนอกากนั้นก็เป็นรูปทั้งหมด ก็เป็นอารมณ์ของกรรมาฐานที่ทรงจําแนกแสดงทั้ทําไมจึงต้องจําแนกแสดงออกไปพิสดารอย่างนั้นเพราะในจริงแก่เป็นข้อแก่อย่างนั้นในแง่ของความจริงแล้วเราก็ย่อยออกไปได้อย่างนั้นแต่ว่าการย่อยออกไปมากมายเช่นนี้ก็ทําให้มีประโยชน์เพราะตามปกติแล้วใจคนเวลาไปผิดหวังในเรื่องหนึ่งนั้นจะไปคว้าอีกเรื่องหนึ่งจะไปคว้าที่วัตถุที่บุคคลสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เันต้องให้ดูความจริงในทุกแง่ทุกมุมเพื่อจิตใจจะไม่ไขว่คว้าจะไม่ปรารถนาซึ่งเป็นการแสดงทํานองเดียวกับกายเวทนาจิตธรรมไอ้กายเวทนาจิตธรรมก็มีอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าจะอุบัติมาแต่พระองค์ทรงรู้ด้วยประญยัว่าจิตใจของบุคคลที่กําหนัดยึดติ ด, ตดหรือขัดเคืองอยู่ในอารมณ์ทั้งหลายนั้นบางทีก็ปรารคสิ่งที่อยากอาก ความยึดติดมีความกำหนัดเพลิดเพลินในากายได้รับความทุกข์ความสุขที่เกี่ยวกับวัตถุพระก็ทรงสอนให้มองกายในแง่มุมต่างๆให้ชัดเจนจนเกิดความรู้ความเห็นว่าไอ้กายนี้มันก็สักแต่ว่ากายเท่านั้นเองไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาอย่างแท้จริง แต่ถ้ากิเลส ก, ก็ยังมีกำลังมากแกบอกว่าแกก็คิดว่ากายนั้นไม่จะสัตว์บุคคลโดดเดีรอกเขาจริงจะเวทนานั้นจริงแกจะไปคว้าที่เวทนาเพราก็ต้องสอนที่เวทนาด้วย เ, เวทนาเองแม้จะมีความประดิษฐ์ขึ้นสูงขึ้นสงบขึ้นแต่มันเองก็เป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันเพราะเป็นขันชนิดหนึ่งในขันทั้งห้าเชน่นเดียวกับกายซึ่งเป็นรูปขันจากนั้นใจคนก็จะคว้าไปที่จิต กลาเป็นความเที่ยงแท้แน่นอนความยั่งยืนความไม่เปลี่ยนแปลงของจิตจะเพลิดเพลิอนอยู่ในจิตและพยายามจะมุ่งเข้าไปสู่ความเที่ยงแท้ของจิตโดยทรงสอนให้ดูที่จิตว่าจิตมันก็ทำนองเดียวกันนั่นแหลกะการนั้นใจคนจะคว้าธรรมะในลักษณะต่างๆก็จะสอนให้ดูธรรมะในในทำนองเดียวกันซึงใกล้ๆกับใกล้ๆกับ น, น้าท่ม ถ้มามีความมาน้ําหลากมาคนอาจจ ะ, นจะหนีหนนจากที่หนึ่งไปอยู่ที่หนึ่งหนีจากที่หนึ่งไปอยู่ที่หนึ่งแต่น้ำมันก็ไหลบ่ามเรื่อยซึ่งที่อาจจะสูงขึ้นจริงแต่ว่าในาที่สุดเมื่อน้ําแกไหลามาอย่างนี้แกก็ต้องท่วมจนได้แต่สิ่งที่บุคคลไปยึดถือว่าจะช่วยให้ตนเองปลอดภยัยก็จะไม่ปลอดภัยอย่างแท้จริงทําให้บุคคลปล่อยวางความยึดความถือในเรื่องเหล่านั้นนั่นคือเป้าหมายจริงๆคือต้องการจะถ่ายถอนตะนาอุปาทานที่มีอยู่ใน อยายตนะภายในภายนอกตลอดถึงวิญญาณโดยกระจายออกไปให้ดูแต่ก็เป้าหมายก็คงอยู่ที่นั้นคือต้องการจะให้ถอนตานาอุปาทานความยึดความติดที่มีอยู่ในอยนายตนะภายในภายนอกด้วยความกำหนัดขัดเครืองลุ่มหลงบวเมาคือก็สี่กระแสอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งบางทีก็ปนป น, นกันไปในเรื่องเดียวกันแต่คนละษณะกันความยึดความถือมันก็เปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อย เพื่อบุคคลรู้ถึงความจริงที่แท้จริงอย่างนี้เขาจะถ่ายถอนตัดหาความยึดถือว่าเป็นของเรามานะความยึดถือว่าเป็นเราทิฐิความยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนของเราออกไปจากสิ่งแบบนั้นแต่แท้จริงแล้วการปฏิบัติอย่างนี้คือเป้าหมายชั้นสูงเป้าหมายระดับวิปัสสนาญาณซึ่งเกิดขึ้นจากขั้นตอนในการประพฤติปฏิบัติต่างๆที่ผ่านจากศีลจากสมาธิขึ้นไปเรื่อย จึงจะเกิดยานความรู้ขึ้นมาในลักษณะเหล่านั้นได้อย่างแท้จริงเพราะในการประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำํำวันซึ่งเป็นผลในระดับที่ลดหลั่นลงมาว่าทําอย่างไรจึงจะสามารถสัมผัสผลเหล่านั้นได้ประการแรกก็คือให้มองในแง่ของสิ่งเหล่านี้ว่าเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยโดยเฉพาะตัววิญญาณตัววิญญาณที่บอกว่าสร้างปัญหามากนั้น แม้ว่าความรู้รูปทางตารู้เสียงทางหูรู้กลิ่นทางจมกูกรู้รสทางลิ้นรู้เย็นร้อนอน่อแข็งทางกายรู้อารมณ์ทางใจก็ตามซึงเป็นตัวสร้างปัญหามากเมื่อเราทราบชัดว่าสิ่งเหล่านี้ที่จริงแกเกิดขึ้นจากเหตุปจัจจัยเหตุปัจจัยนั้นเป็นรูปธรรมก็มีเป็นนามธรรมก็มีและตัวสําคัญที่สุดก็คือตัวมาณาธิการคือความใส่ใจความใส่ใจความสนใจถึงเรื่องเหล่านั้น เ็นว่าตาเห็นรูปที่จริงถ้าเราไม่ใส่ใจมันก็ไม่มีอะไรไม่มีทั้งความรักความชางังความกลัวความหลงเป็นต้นก็ไม่มีที่สร้างความเปลี่ยนแปลงขึ้นภายในจิตเป็นรักเป็นชงังเป็นกิเลสนั้นก็เพราะเราไปใส่ใจไปใส่ใจทึงสิ่งเหล่านั้นข้าวฟับ า, บางเรื่องถ้าเห็นว่าจะมีปัญหาก็ไม่ใส่ใจซบ้างซึ่งกรณีอย่างที่ทรงแสดงไวใน เทวสัพภาสาังวรสูตรคือพระสูตรที่ว่าด้วยการสำรวมระวังเพื่อละอาสวะโดยจงสอนว่เจ็ดวิธีด้วยกันวิธีแรกที่ออกจาสสำคัญก็คือว่าการไม่ใส่ใจได้แก่การสำรวมระวังแม้จะมีรูปผ่านมาทางตาก็ไม่สนใจรูปเหล่านั้นรูปนั้นก็ตกไปจากจิตต้องก็หยุดท่านนั้นเอง คือจะไม่นำไปปรุงต่อโดยให้มองในแนวที่จะเกิดผลกระทบแก่ตัวเองในโอกาสต่อมาโดยมองว่าอะไรก็ตามถ้าใส่ใจไปแล้วอกุศลที่ยังไม่เกิดมันจะเกิดขึ้นที่เกิดแล้วจะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นก็อย่าใส่ใจมันมันจะผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้วกายใจก็ตามถ้าจะเพิ่มอกุศล อกุศลที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นที่เกิดแล้วจะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นก็จะไปใส่ใจเรื่องเหล่านั้นก็ทํานองเดียวกับอะไรทํานองเดียวกับเรามีเชื้อหวัตมีเชื้ออะไรอยู่แล้วแต่เห็นว่าอะไรจะเป็นการเพิ่มเชื้อหวัดจนกลายเป็น่ายหวัดมันก็เลี่ยงเลี่ยงเสียไปรักษาสุขภาพพลานามัยของตนเอาไว้ส่วนที่มีอยู่แล้วก็พยายามละไปแต่ส่วนใหม่ก็ไม่พยายามให้มันเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะรู้ว่าถ้าเพิ่มขึ้นแล้วจะเป็นอันตราย จะทําให้เราเจ็บค้ายได้ป่วยต้องลบหมอนนอนเสือไปเป็นต้นอันนี้ก็พี่จริงแล้วก็เป็นความคิดแบบธรรมดาธรรมดาคือแม้แต่ของที่ ร, รับประทานเข้าไปเห็นว่าสิ่งนั้นรับประทานก็คือที่จริงก็เป็นวิญญาณประการหนึ่งเกีับความรู้รสรสบางอย่างเมื่อเรารู้แล้วเห็นว่าถ้าขื่นลิ้มเข้าไปถึงขืนชิมคืนรับประทานสิ่งเหล่านั้นเข้าไปก็จะเป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกาย เราก็ไม่ใส่ใจรถตัวนั้นมันก็หยุดเท่านั้นเองคือจะไม่เข้ามาทําอันตรายต่อร่างกายเราได้เพราะว่าแกจะเข้ามาได้มันพิกะตาหูจมูกลิ้นพิกะตาหูใจซึ่งเราจะเห็นว่าพวกนี้มันไหวมากแกรับได้ในที่ไกลแต่ว่าพวกพวกจมูกพวกกลิ้นพวกกายเนี่ยสามอย่างนี้พวกจมูกก็เราต้องสูดดมเข้าไปจึงจะเข้าไปเป็นอันตรายแกรเราได้ กิงลิ้นยิงแล้วใหญ่เลยคือเราต้องตักเข้าไปในปากด้วยถ้าเป็นงั้นมันก็เป็นพิษเป็นภัยอะไรก็บเราไม่ได้กายเราก็ต้องไปจับต้องคือหมายความว่าเราต้องถึงเลยแต่ว่าตานั้นได้ยินได้เห็นรูปในที่ไกลหูฟังเสียงในที่ไกลใจคิดเรื่องในที่ไกลซึ่งอาศัยต้องอาศัยการตารวจระวังมากเป็นพิเศษเพราะบางทีในการที่จะไม่ใส่ใจนะมันเกิดขึ้นไม่ทันคือใส่ใจแต่ก่อนแล้ว แต่แม้จะใส่ใจก่อนแล้วก็มันก็ทำนองคล้ายๆกับสิ่งแปดเปื้อนมาตกอยู่บนเสื้อผ้าเราก็ตัดแล้วก็สลัดทิ้งเสียยายมันลุกลามต่อไปมันก็แก้ปัญหาได้ในช่วงนั้นคือจะมีความรุนแรงน้อยลงแทนที่จะไปเพิ่มความรุนแรงเหล่านั้นมากยิ่งขึ้ น, นดังเรื่องเหล่านี้จึงอยู่ที่การมองผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการใส่ใจ ถ้าจะออกมาในทางเป็นพิษเป็นภัยก็ไม่ใส่ใจแต่ในขณะเดียวกันนั้นโลกก็เป็นทางให้ความรู้ให้ยาให้ปัญญาให้นิพพานแก่บุคคลเช่นเดียวกันเพราะความคล่องหรือไม่คล่องที่กล่าวไว้ในตอนต้นนั้นอยู่ที่การรู้โลกหรือการไม่รู้โลกถ้าเรารู้โลกเราก็ไม่คล่องไม่ติดทางทางที่อยู่ในโลกแต่ถ้าเราไม่รู้โลกเราหลงโลกเราก็คล่องเราก็ติดแล้วก็อยู่ในโลกอีก ซึ่งกรณีจะเห็นว่ า, าการติดนั้นไม่ใช่ติดธรรมดามันจะติดยืดเยื้อเป็นวัฏจักรคือจะหมุนวนกันอยู่อย่างนี้จนกลายเป็นสังสารวัฏเป็นภพเป็นชาติต่างๆนั้นที่จริงก็คืออาการข้องของจิตที่มีอยู่ต่อโลกจงกการมาเป็นความดีของบุคคลในชั้นฐานชั้นศีลหรือแม้แต่ชั้นภาวนาบางระดับเราก็มีความข้องความจิต เจ็บปเป็นความดีต้องการไปสวรรค์ก็ชื่อว่ามีความข้องควา ม, วามติดในโลกคือภพคือภพก็เป็นกามาพบติดประดิษฐ์ขึ้นไปบางครั้งบำเพ็ญภาวนาสมถกรรมาฐานแต่ก็มีความข้องควา ม, วามติดอยู่ในภพในรูปประภพก็บำเพ็ญจนได้ชานมันก็ติดอยู่ในรูปประภพแต่ยังไงก็ตามมันก็มีความประดิษขึ้นมีความสงบมากขึ้น มีอายุยังยืนขึ้นมีทุกข์น้อยลงเป็นความคล่องเหมือนกันแต่ว่าความเดือดร้อนต่งตางๆก็ลดลงไปนั่นก็คือชั้นของกุศลธรรมที่ยังเป็นภพที่ท่านเรียกว่าวัตกามีกุศลคือเป็นความดีที่ยังให้บุคคลหมุนวนอยู่ในสังสารวัฏตกแต่งวบชาติแต่ประณีตเราคงเป็นความคล่องความติดแต่ว่ามีความทุกข์น้อยลงแต่นั้นเอง เป็นระดับวัฏฏามีกุศลนั้นถือว่าเป็นเป็นเรื่องของคนส่วนใหญ่เพราะระดับวิวัตะคือหลุดพ้นจากสังสารวัฏจริงๆแล้วจ่หลุดพ้นจากสังสารวัฏจริงๆไม่เฉพาะปาราหันเท่านั้นเองเพราะปัสดาวะบันพระ ส, ะระสะกิตาคารพระนาคาท่านก็ยังมีพบอยู่อย่างน้อยก็หนึ่งพบคือเกิดอีกหนึ่งชาติอย่างพระนาคามีทต้ก็ต้องเกิดอีกหนึ่งชาติพระสะกิตาคามีก็จะมาสู่สู่โลกนี้อีกครั้งหนึ่ง โสดาบันก็อาจจะต้องเกิดอีกแต่ว่าไม่เกิดเจ็ชาติแต่นั้นเองก็แสดงว่ายังมีพบอยู่ดังนั้นคนที่หลุดพ้นจริ ง, รงๆก็มีเฉพาะปาราหารันเท่านั้นแตนั้นปัญหาสําคัญจึงมองไปที่การทําให้พบมันประณีตขึ้นจะทํำยังไงให้พบมันประณีตขึ้นมีชาติที่ประนีตขึ้นมีพบที่ประนีตขึ้นนั้นก็คือความจางของกิเลสความจางของกิเลสและทําให้ลอยให้ลองสังเกตว่า กิเลสที่มันจางลงเนี่ยทำให้เราลอยอยู่เหนือปัญหาต่างๆหรือว่าสิ่งต่างๆเป็นอนันมากเช่นชาวโลกเขายื่นแย่งก็ เ, เล่นการพนันเข้าไปอะไรต่ออะไรต่างๆไปขูดต้นไม้เล่นกันไอ้ความโลภเราจางลงความหลงเราจางลงเรามีสติปัญญาม่ีเหตุผมก็ทําให้เราลอยอยู่เหนืออํานาจเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นก็ไปดูดเราไม่ได้เีก็โฆษณาหลวงพ่อนั่นบอกหวยบอกเปอรได้คนอื่นก็แห่กันไปแต่ใจเราความโลภเราจางลง ความหลงเราจังลงเราก็คิดโดยเหตุโดยผลว่าแกบอกตั้งวันสองวันบอกทุกค น, ค น, น, กกนคนหนึ่งก็บอกชุดหนึ่งคนหนึ่งก็บอกชุดเดิมก็ถูกก็คนหนึ่งเราก็รู้โดยเหตุโดยผลเพราะ โ, โมฆะเราลดไดยประกอบกับโลภะเราลดลงไปเราก็ไม่ถูกกระแสะของโลกซึ่งระดับพื้นพื้ น, น ด, ดัดดัดลากลงไปใจเราก็อยู่เหนือกระแสะเหล่านั้นแล้วก็อยู่เหนือมาได้เรื่อยๆโดยลำดับเพิงสังเกตว่าอย่างการที่คนซึ่งสามารถสละ เวลาพักผ่อนของตัวเองในรอบสั ป, ปดาห์มาบำเพ็ญความดีด้วยการให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการาบำเพ็ญภาวนานั้นก็แสดงว่ากิเลสมันก็จางลงคือทําให้ลอยขึ้นเหนือกระแสการต้องการพักผ่อนการเที่ยวเสวันหยุดการไปเที่ยวในที่ต่างๆด้วยการสังสารกับเพื่อนผูงเป็นต้นเพราะเรามองเห็นในลักษณะเทียบเคียงได้ว่า การปล่อยกายปล่อยใจไปในลักษณะนั้นมันก็เป็นการเพิ่มกิเลสขึ้นแต่ว่าการพยายามทวนกระแสกิเลสด้วยวิธีการเหล่านี้อย่างน้อยที่สุดก็หยุดความเติบโตของกิเลสเอาไว้แล้วก็เพิ่มธรรมะขึ้นไปสลายกิเลสได้ตามกําลังความสามารถก็ใช้ความเพียรพยายามาในด้านนี้นั่นแสดงเห็นถึงว่าพอกิเลสมันลดลงนี่จิตใจของบุคคลจะลอยจากวัตถุการมที่หยาบหยาบตั้งหลาย วัตถุการมที่หยาบหทั้งหลายเช่นรูปเสียงกลิ่นรสสัตว์ธาที่หยาบหทั้งหลายที่เรียกว่าบางครั้งตัณหาเข้า่าม้วนโลภีือบุ้นวายกันไปหมดถ้าใจิตใจเราประณีตเราไม่ไปยุ่งขนาดนั้นมันมันขึ้นมาได้เรื่อยๆแม้แต่การไ ข, ขว่คว้าสแสวงหาก็คงเป็นวัตถุกรรมอย่างนั้นเพราะโลกมันก็วัตถุกามแต่จะมีการสแสวงหาที่ประนีตขึ้นสิ่งที่สแสวงหาประณีตขึ้นแล้วก็วิธีการสแสวงหานั้นอยู่ในกรอบของศีลธรรมสูงขึ้นจนกลายเป็นสา ม, มาชีพความโลภไม่ถึงกหมดไป แต่ความโลภจะหมดปลยมันต้องระดับราณาคามีเรายังไม่ถึงขั้นนั้นแต่เพียงแต่ว่ามันประนีตขึ้นแต่นั้นเองนี่ก็คืออาศัยการมองถึงสิ่งที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสว่ามันเป็นสัญญาเป็นวิญญาณเป็นโลกเป็นในยตนาภายในยตนาภายนอกนั่นเองแต่ว่าเราเห็นว่าอากุศลที่อยากไม่เกิดถึงแม้จะเกิดมันเกิดน้อยลง แล้วกุศลที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นจะเกิดมากหรือน้อยมันก็เกิดขึ้นเราก็เลือกเอาทางนั้นทีนี้ถ้าเห็นกันต้อ ง, องชัดเจนหมายความว่ากระแสนี้เป็นกระแสของกุศลกระแสนี้เป็นกระแสของกุศลแล้วก็เลือกได้เด็ดขาดนั้นก็แสดงถึงพื้นฐานของการประพฤติปฏิบัติที่พัฒนาจิตใจของบุคคลได้มีความครากแข็งมากิ่งขึ้นโดยการวินิจฉัยอารมณ์ได้ในทันทีทันใด การใส่ใจเรื่องอะไรก็ตามอากุศลที่ยังไม่เกิดไม่เกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็ชื่อสงบระงับไปเนี่ยก็ทําให้จิตใจของบุคคลมุ่งมั่นไปในสิ่งนั้นก็สรุปว่าในชั้นของอายตนะภายในอายตนะภายในอายตนะภายนอกหรือวิญญาณทั้งหกคือสายละหกเนี่ยที่จริงมันก็เป็นโลกแต่ละอย่างซึ่งบุคคลสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็หาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นได้ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชั้นของชีวิตประจําวันคือทําอย่างไรว่าจะอยู่ท่ามกลางสิ่งเหล่านี้ซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับเราตลอดเวลาแต่มันมีความเดือดร้อนน้อยลงมีความสุขความสงบเพิ่มขึ้นมีความว้าวุ่นต่างๆสงบลงมีความตั้งมั่นเป็นสมาธิหรือโปรงเบาสบายเพิ่มขึ้นซึ่งจะต้องอาศัยความเพียรพยายามเข้าใจโลกเหล่านั้นตามความเป็นจริงให้มากต่อจากนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป